แท้จริงแล้วเราต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาอาการคิดปรุงแต่งหลอกให้รู้สึกเหมือนเรามีคนรักอยู่กับตัวหรือมีคนชั่วทรมานเราอยู่คุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาคนอื่นคนใดใครๆก็ล้วนเป็นที่สุดได้แค่ความคิดปรุงแต่งในหัวชั่วคราวคนบางคนเหมือนเกิดมาเพื่อปรุงแต่งหัวของคุณให้โล่งสบาย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 หลงตามล้างหลงตามเช็ดคนหลายคนเพียงเชื่อว่าจะระ ง, งับอาการหัวปัน่นรั่นเนื้อร่นตัวแท้จริงแล้วคุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่มีใครอยู่ในหัวคุณจริงสักคนแต่อาการคิดปรุงแต่งไปเองหลอกให้รู้สึกเหมือนคณมีคนรักบางคนอยู่กับตัวหรือหลอกว่าคนชั่วร้ายหลายคนทรมานคุณอยู่เพียงสังเกตออกตามนี้แล้วรู้วัานาทีนี้